เทศอบรมพระวันที่เจ็ดพฤษภาคมสองพันรอยยี่สิบสองเทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เผ็ดร้อนเอามากเกี่ยวกับการซ่อนเล็บเวลาอยู่กับอาจา ร, รย์มั่นกิเลสอยู่กับใจเราเอะกิเลสก็แสดงขึ้นการทม กิเลสนอกเราทั้งยืนเดินนั่งนอนไม่มีวันตั้งตัวได้เลยกันนี้เทศจบครึ่งมวนเทพจากนั้นก็พูดปริยายพูดเรื่องการสร้างเจดีอาจารย์ฟั่นบ้างแล้วก็หยุดตอนค่อนคอนมวนหน้าเอกันนี้เผ็ดร้อนกับพระมากแต่อาจให้คารวาดก็ได้เพื่อเป็นคติสอนใจผู้อัดเทพแจก ให้อัดเฉพาะเทศเท่านั้นตอนพูดท้ายเทศไม่ต้องอัดเพราะไม่เหมาะดีเราเรียกมาสั่งสอนโดยเฉพาะเฉพาะก็มีบางทีเรียกประชุมกันลับๆเรียกประธาน ห, หนูก็มีแล้วพูดตร ง, ตรงๆไปตรงมาตามความรู้สึกตามความเข้าใจที่แน่แล้วว่าไม่ผิดให้ฟังก็มีเช่น เวลานี้มาอยู่กับครูบาอาจารย์มันกําลังซ่อนเล็บนะ <_: S 1> เล็บมีมันยังไม่กลางเวลานี้กำลังซ่อนเล็บเอาไวจ้จิตนิสัยความรื่อด้ญญานดานไม่ดียังไงมันเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เหมือนกับเสือซ่อนเล็บหน่อเวลาออกจากครูบาอาจารย์ไปแล้วมันจะกลางเล็บมันเต็มถึงนะคอยดูนะ <_: S 2> อยู่นี่เราก็พอทราบได้แล้วว่ามันเป็นยังไงแล้วออกจากท่านไปแล้วมันก็เป็นจริงๆไม่ผิด เป็นพญาราชสีไปได้นั่นผิดหรือนี่มันเป็นบทเรียนทีน่สำคัญรู้มากๆว่ไม่ได้งาเดนทั้งอะไรหเลยเด่นๆดัดดทีก็ทะเลาะกันอืไม่เศร้าทะเลออาะหาเหตุผลอะไรมหตุผลวิพานเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้เพราะการทะเลาะกันหรืยถ้าคุณงงไปหาอารามแล้วมันน่าน่าอายสุนัทรพิ่ะนั่นไม่ใช่ น, น่าอายเพื่อนฝูงอันเดียวกันนั่นน่าอายกระทั่งหมา ไปทะเลาะ ก, กันทั้งๆที่ไปสอบแข่งหาทำแล้วอาความทะเลาะ ก, กันมาเหยียบย่ำทำลายทำโดยเข้าใจว่าตัวดีตัวดีได้ทะเลาอะอกับคนความชนะในเรื่องกิเลสมันดีเลยนะความชนะในเรื่องความเพียรเกี่ยวกับบําเพ็ญธรรมทะนะกิเรศไปโดยลดำดับๆนั่นจึงเป็นทางกําเนินเพื่อความพ้นทุกข์ถือหลักเกณฑ์นี้เป็นสําคัญ เราพยายามอยู่กับท่านหนักนเบาขนาดไห น, นเราก็พยายามวังเทิดทูนท่านรักษาให้ท่านหรืรับความสะดวกสบายไหมมีอะไรครับไปเกี่ยวข้องท่านเลยเราพยายามรักษาภายนอกพระกับเนมีมากอะไรเราคอยอสอบตองดูแลดุกด่าว่าก่าวอยเรื่อยแต่ก็เดชะนับพระมัดทะลึ่งผมไม่ได้ผมพูดลุงกองทั้งแต่ อ, อยู่กับท่านอาจารย์มั่นก็เหมือนกัน มาทะลึ่งมาได้เพราะไม่มีเรื่องอะไรจะมาทะลึ่งเราเราพูดโดยเหตุโดยผลด้วยโดยทําการปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆไม่มีโลกามิตรใดๆที่จะมาแทรกหัวใจเราได้ทั้งที่เรามีกิเลสลราโม่งต่อธรรมนัล้วนๆแต่ตูปัจจัยทยาทานเกิดขึ้นมามากน้อยท่านมอบภาระราให้เราเป็นคนจัดทําเจกจ่ายพระ น, นิทั้งนั้นผมไม่เคยจะไปหยิบเอาอะไรมาเป็นส่วนตัวของผมเพราะผมไม่ต้องการของการที่จะให้พราเน้นเลยรับความสะดวกสบาย ทั่วถึงกันแล้วเราก็ทําเต็มสติปัญญาความสามารถของเราเท่านั้นไม่มีอะไรเราใช้พ้าสามผืนมาเป็นประจำสบงกีว่วันสังขาติผ้า่าน้ําพืนหนึ่งเท่านั้นเป็นปกติมันมารู้หร้าตอนที่มาเป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนอะสรกี่วรไม่ทราบกี่ผืนสบองไม่ทราบก 40, ี่สิบกี่ร้อยผืนก็ไม่รู้แหล ะ, ะเต็มไปหมดเกอนไปหม ด, หมดอะรอบก็ทําไปเหมือนต้องหุงหัวตาบอดไป เร า, าคำนึงถึงครูบาอาจารย์เสมอคำนึงถึงพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านเสมอเอามาเป็นแบบเป็นขบาับักที่เลียนนั้นมันใกล้ชิดสนิิดกับใจเรามากนะไ อ, อ้อะที่เรีจะขึ้นก่อนกี่เรียนจะขึ้นก่อ น, ท, น, น, อนทําไม่ทันแหละสตินสติทำปัญญารมไม่ทันยังต้องพยายามคิดขึ้นพยายามผุดคน้นพยายามฝึกฝนประมานทกุก็ยอมรับว่าทุก เราต่อสู้กับข้าศึกไม่ทุกได้เลยเขาต่อยกันบนเวทียังต้องถูกทั้งคนแพ้คนชนะนั่นแหละมันทุกข์ด้วยกันอย่าเข้าใจว่าคนแพ้จะ ร, รับความทุกข์ความลําบากคนชนะจะไม่มีทุกข์อะไรเลยมันทุกข์ด้วยกันดีไม่ดีคนที่ชนะทุกเจ็บมากยิ่งกว่าคนแพ้ก็ยังนนะฟังแต่ว่าคํามาต่อสู้ไปไหนะมันไม่กําลังบังทางา ม, มันไม่ทัดเทียมกันแล้วมันจะไปต่อสู้กันไดนะ้ยัะไงกำลังบังทางาต้องทัดเทียม ใครก็มั่นใจวัชชะณะมันถึงขึ้นต่อสู้คนบงการทีทีนี้กิเลสมันเปี่ยนกายมานานเท่าไหร่ฝังใจของเราเนี่ยถ้าเราไม่ผิดสติปัญญาซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ของกิเลสตลอดถึงความภากเพยยียงความอุ่นวายพยายามให้เปียงกายจริงๆแล้วมันก็ไม่ทันกับกิเลสเดี๋ยวขึ้นไปยังไม่ถึงไหนเข้าไปทางยังครเที่นั้นมันก็ห น, นกักล้มทั้งหงายหนักล้มทั้งหงายล้มทั้งความล้มไม่เป็นท่าไปหมด นั่งอยู่ก็ล้มเดินอยู่ก็ล้มยืนอยู่ก็ล้มนอนอยู่ก็ยิ่งล้มไอีกเพราะความไม่มีสติเพราะความไม่มีปัญญาเพราะความไม่มีแก่ใจที่จะฝึกฝนทรมานเพราะไม่มีความเด็ดเดี่ยวทางจิตใจจิเลศกลัวได้ที่ไหนี่เลศไม่กลัวความอ่อนแอจิเรียศไม่กลัวความไม่จริงไม่จังแต่จิเลศกลัวความมีความจริงความจังความเข้มแข็งความเป็นนักต่อสู้ความเป็นผู้มีสติปัญญาผิดขึ้นทุกวันทุวัน มีกิเลสกลัวในโลกนี้กิเลสไม่กลัวอะไรทั้งนั้นกลัวแต่ธรรมพระพุทธเจ้าชนะกิเลสได้ด้วยธรรมสาพกุหัตรหรันทุกทุ ก, ทกองท่านชนะกิเลสได้ด้วยธรรมเราแค่กิเลสได้ด้วยอะไรครับพี่นันด้วยความไม่มีธรรมด้วยความอ่อนแอนั่นเองไม่ใช่ด้วยธรรมต้องเพลิดเพลนมา เ, าเว้นลูกศิษา แล้วไปถอยไปหมผมอยากพบอยากเห็นอยากได้ยินผลแห่งการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนอยากได้ยินถเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาที่เกิดขึ้นจากการประกอบความภาคเย็นแล้วพร้อมพร้อมเสมอที่จะสั่งสอนหมู่เพื่อนให้เต็มภูมิเต็มทัศน์กำลังความสามารถของตนเราอยากได้ยินได้ฟังสมาธิมันแสดงขึ้นเนี่ใดเราพร้อมเสมอที่จะแก้หากว่ผิดถูกประกันในเราพร้อมเสมอ ไม่ว่าสมาธิขั้นใดปัญญาขั้นใดเราก็ปฏิบัติมาเต็มกํลาลังความสามารถอของเราเราเคยได้เดลา่าเดทถวากูวาจารย์มาเป็นลําดับกําดัตามความรู้ความเห็นต้นต้ที่เคยเกิดขึ้นมาอย่างใดที่แน่ใจบ้างไม่แน่ใจบ้าง ก, ากราบเรียนท่านศาสตราทุกแน่ทุกมุมอันไหนที่มั่นใจแล้วเป็นผลขึ้นมาอย่างชัดเจนแล้วก็กราบเรียนท่านศสราบอันไหนที่ยังไม่แน่ใจหรืออันไหนเป็นความสาคัญว่าแน่ใจแต่มันไม่แน่สาคัญว่าถูกแต่ไม่ถูก ขนเล่าให้ฟังท่านถวายท่านท่านเป็นผู้แก้ไขดัดแปลงหรือส่งเสริมในสิ่งที่ถูกแล้วและแก้ไขดัดแปลงในสิ่งที่เห็นว่ายังไม่ถูกไปโดยลํำดับลำบากครูบาอาจารย์ท่านภูมิใจเมื่อได้ยินผลของลูกศิษย์ลูกหาที่ประพฤติปฏิบัติเกิดผลขึ้นมามากน้อยมาแสดงออกการปฏิบัตินี้เห็นผลไปจากในใจงนะไม่ใช่จะไปเห็นผลท่ า, านมาท่านนู่นท่านนี้ท่านไหนท่นานนู่นท่านนี้ท่านสวรรค์นิพพานที่ไหน เห็นไม่ด <tu i ro> ูกับใจนี่จิตพุ่งสร้างลำคาญจิตเดือดร้อนวุ่นวายจิตเป็นไฟทั้งกองด้วยอํานาจของราคะกินนาโทสะกินนาโมหกกินนาไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะจิตก็รู้จิตเป็นผู้รับทราบจิตเป็นผู้เส่ยผลธรรมะจิตไม่รู้จิตพยายามปราบปรามพิเดศประเภทตัวนี้ออกด้วยน้ําคือทำดับไปพิเดศตัณหาราคะตนี้ด้วยน้ําคือทำเย็นลงไปโดยลําดับลํำดับ ก็รู้ไฟสงบลงไปไฟที่เดือดเดืสงบลงไปใจต้องรู้ใจมีสติใจมีปัญญาไม่รู้ได้เรือและต้องรู้จ <c oughs> นกระทั่งมันดับหมดไม่มีสิ่งใดเห ล, ลือนั่นยิ่งรู้ชัดหายสงสัยอ๋ให้ริงให้จังอยากได้ยินได้ฟังเพื่อนเกิดแต่แม่ไดียินมีเดาเล่าเทพเหมือนกับมาโกหกกันเล่น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 ไฟแรงเทียนสูงเท่าไรก็ยิ่งมีความสว่างจ้ามากขึ้นเพียงนั้นไฟเทียนก็มีแสงสว่างขนาดไฟเทียนนั่นที่เห็นอย่างนี้แต่ไฟฟ้าร้อยแรงเทียนพันดังเทียงเข้าไปมันก็ยิ่งสวา่างท้าไปหมดไลว่างเลนี่ปัญญาก็เหมือนกันสติปัญญาล้มลุกคุกคานได้บางเสียบ้างก็ยังดีกว่าไม่ได้เรื่องอะไรเลยแล้วได้ไปเรื่อยๆค่อย เขยืบหน้าขึ้นไปเรื่อยๆความสว่างกระจางแจ้งไปเรื่อยเรื่องปัญญาก็ดีเรื่องสติก็ค่อยสูงเนื่องติดต่อกันไปโดยลําดับปัญญามันก็เท่ากับเหมือนกับหลอดไฟที่มีแรงสูงไปโดยลําดับแังเกลียนสูงไปโดยลำดับจนกระทั่งสว่างจ้ารอบตัวหมดมีหมายถึงมหาสติมหาปัญญาเมื่อได้พร้อมมหาสติมหาปัญญาพร้อมกันแล้วเรื่องศรทัทธาความเพีย์ความราู้ษาพยายามเข้าพร้อมกันหมดเป็นทำแท่งเดียวหมุนตี้วไปหมด เรี่ยอยู่ตรงไหนเป็นพุ่งพุ่งพุ่งไม่ถอยนี่แบบสู้ตายเพราะคุณค่าของปิดนี้เห็นได้แล้วคุณค่าของธรรมที่ปฏิบัติปรากฏผลขึ้นมามีมีคุณค่าขนาดไหนเห็นแล้วชัดเจนประจับกลับใจนี่แล้วแล้วโทษของจิตเด็กมีมากน้อยแค่ไหนก็คือตัวโทษอยู่ดยดีเป็นค่าสุดกระปรูต่อใจยอยู่ดดีมันก็ยิ่งขยับตัวเข้าไปเอาให้เรียบพุดหมดไม่มีอะไรเหลือพันใจตัตติปัญญาขั้นพอตัว ได้ย่างลงไปแล้วไม่ว่าที่ตรงไหนก็สว่างแจ้งไงหมดทันหัวนัตถิปัญญาสมาอาภาอะไรจะสว่างยิ่งกว่าปัญญาและอะไรที่จะมืดยิ่งกว่ากิเลสทําให้จิตใจมืดหลับเัาจะเ อ, อะไรเป็นดักกิเลสที่มันทําให้มืดแปรทิศแปรด้านในภายใจิตใจถ้าไม่เอานัตถิปัญญาสมาอาภาเข้าไประงับดักมันเป็นความสว่างจ้าขึ้นมาเลืองความสามารถของตอนนี่เอาตรงนี้ แล้วผลนิพพานอยู่ตรงนี้ให้อยู่ที่ไหนเรความทุกข์ไม่ต้องไปคำหนึงมันอย่าไปคิดเลยว่ามันทุกข์มันยากมันลําบากถ่างั้นไปไม่รอดนะการประกอบความเพียรเดินตรงลมกบฏทุกข์เสียจะหนักสมาธิกบาทุกข์เสียจะพยายามบังคับจิตใจก็เป็นเรื่องฝืนจิตฝืนใจไม่อยากบังคับปล่อยไปตามยะถากรรมนั้น มันเป็นความสะดวกมันสะดวกจริงแต่มันเป็นแบบที่ถูกเขาลากขึ้นเคียงนี่เหมือนหมูลากขึ้นเคียงกิเลสมันลากหัวใจเราขึ้นเคียงสับเอาสับ่อานี่จะว่าไงหมูนอนนอนคอยเคียงนี่มันสะดวกอย่างนั้นแล้วเราไม่ใช่เป็นคนที่จะมาคอยขึ้นเคียงให้กิเลสสักเราตั้งใจจะมาซับยามกิเลสให้แหลกต่างนีก ทกุก็ยอมรับว่าทุกพระที่เจ้าก็ทุกมาแล้วศาสุดาของเราเคยทุกมาแล้วเป็นสักขีพยานให้เห็นชัดเจนแล้วว่าการต่อสู้กับพิเรนไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องเอาตายสู้เลยสาวกก็เป็นกติมาแล้วจึงว่าพุทธัง ส, ง, ทงสังฆถามนี้แล้วประกาศเราเด้นนะับถือในเลื่องถึงท่านอยู่ตลอดเวลาพิณาที่ังสังฆฉามีิจะมาปรากฏขึ้นได้ก็เพราะ นี่แห ล, ละข้อปฏิปทาข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและสาวกเอาให้ถึงเหตุถึงผลน้ําอัดน้ํำทำที่เป็นน้ําอันอัศจรรย์มก็แสดงขึ้นมาได้พอกลายเป็นพุทธทางธรมงงงธรมังสังขัธรรมกนังกฉามิขึ้นมาให้โลกได้กราบบ่าอย่างสมบูรณ์อันนี้เอาให้เห็นสิพุทธทางกนังกฉามิถึงพระพุทธเจ้านั้นเป็นชนิดหนึ่งถึงจิตใจของเราที่เป็นผู้รู้แหลมหลักนักปราชญ์ฉลาดแหลมคม เนื้กิเลสทั้งหลายนี้เป็นพุทธังสงังฆาฉามิโดยหลักธรรมชาติเป็นอัตสมบัติทั้งตัวโดยแทย้ธรรมังสงังฆาฉามิเห็นประจั์อยู่กับปิดของเรานี่เราถึงทำภายในใจของเรานี่ยสงมั ง, งสงังฆาฉามิตัวเราเองเป็นสงเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมเหล่านี้ให้มันเห็นจะชัดย้อนเข้ามาให้มันถึงตัวนี่พุทธังธรรมังสังฆาฉามิเมื่อปฏิบัติจริงๆแล้วจะอยู่ที่ไหนถ้าไม่รวมอยู่ที่ใจดวงบริสุทธิ์พุทโธนนี้เท่านั้นไม่มีที่รวมไม่มีที่อยู่ทําไม่มีที่สถิต มีเฉพาะจิตเท่านั้นเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมหมุนตีเข้ามานี่สิพิจารณาให้ดีอย่าลดละท้อถอยอย่าอืดอาดเหนื่อยเนืยเหนื่อยหมายไม่ว่ากิิยาภายนอกกิิยาภายในฝึกหัดให้กินให้จังทำอะไรก็าตามอย่าให้หละหล่ยแหล ะ, หละเป็นคนหลักลอยกระจับจดจ ด, จดทำอะไรไม่กินไม่จังหาผลประโยชน์ไม่ได้ จากนี้ไปท่านปัญญาอธิบายพ้นพูดกันเล่งประด็ น, นขอมันก็นินสัยมนะมากนะเพื่อเพื่อทำจริงน้นมีน้อยมากในป่าลึกๆมีเป็นอย่างคุณนนักบำเพต่างๆเปนนะักบพ็ญทุเรี น, นดีดีม <c oughs> ีเรากันเลยต้องเลยถื 6, อพัพันธุ์เลยอย่ก็เรื่อง ที่พิพภั์ท่านสั่งนั่นโยคุณโยน้าจังหวัดรับกันชูวัฒน์ท่นแตงน้าวิสิทธนั่นาที่เรียกน้าวิสิธิก็คือว่าน้าลูกอินนั่นเป็นน้องของคุณแม่นุ่มคุณแม่นุ่เมเคนทเราเป็น อ, อูนธรรมน้าูกอินเป็นแม่วาจาเลยนี่คือเป็นน้องคุณมนุ่มเลยต้องเดียวกันน้วิสิทธิ์วิสิทธิ์นี่มเป็นสามนึง ขอเอยนีเป็นามนี้น่ผมก็ต้องเลือกเอานะติดปากมานาดไห น, นยยึดตูมมานี่นลูกเป็นลูกงม่นุ่มคนเดียวนีลูกเปมาเยียมบ่อยอาเป็นลูกแต่ก่อนมนต้งป้องกัน่นันก่อนอบอุ่นนี่ไม่มีน้ำไม่มาที่นี่ไปไหนตอนนี้น ม, มาบ่อ ก่อมาที่นูน่นกเหมือนมาที่นี่อบอุ่นเหมือนกันที่นี่พอขาดค้ามูม น, นั้นเนี่ยยึดไม่มีที่ท ย, ยึดจะทำไงอำนาหรือไกลกับไกล์กลกลมามาแล้่อยเรก็สงสารพเพรเกี่ยวข้องมาตั้งเท่าไหร่โอ้ยสามสิบกว่าปีจริงนะ ส, สี่สิปีแล้วเราข้องกับสุข่น มาขอร้องแหละมาพูดอย่างพิษิตพิจิตชิ่งชิ่นให้เราฟังมาคืนความสงสารเวลาอ่านหนงสือที่เรามอบคืนมอบงานคืนดยเหตุผลของเราจะรอทุกอย่างะลยเรื่ความพอใจความดีดีที่จะให้ทราบผูกเงินะ้นะมัดถุ สำหรับองค์ของท่านอาจารย์พันธ์นั่นเรายินดีเราพอใจพระพูดที่เจดต่อรับการพอรบบูชาของคนอย่างท่านอาจารย์พันธ์นี้หาได้น้อยมากครับ แ, แต่ที่ให้เราเป็นหัวหน้างานเป็นประธานต่างๆ น, นเวลานี้สุขภาพไม่เหมือนแต่ก่อนเราก็ให้ผลดี